Thank you. จะโยมฟังธรรมกันสิ่ง <c oughs> ที่สำคัญก็คือความสำรวมในการฟังการที่เราม <c oughs> นีสติ ได้ระลึกถึงธรรมและก็ไม่ห่างจากธรรมบุคคลนั้นก็ไม่เสื่อมไปจากธรรมหลักก็มีอยู่ง่ายๆฉันั้นผู้ภาวนา <c oughs> ผู้ปฏิบัติ ถ้าเรามีจิตนอันน้อมสู่ธรรมะมีสติคอยระลึกรู้โยนเราก็จะไม่เป็นผู้เสื่อมไปจากธรรมนี่ก็เป็นหลักสำคัญในขณะที่เกิดอะไร เวลาไหนถ้าใจของเรามีธรรมะอยู่เราจะไม่เสือบเมื่อมีจิตไม่มั่นคงไม่รู้ระสัตท t ธรร ม, มีความเลื่อมใสเลื่อนรอยปัญญาก็ไม่บริบูรณ์ สิ่งนี้สำคัญที่ว่าปัญญาไม่บริบูรณ์โยมสังเกตไม่เวลาถ้าจิตใจของเราวันไหวไม่มั่นคงเวลานั้นถ้ามีสิ่งใดมายั่ว เราก็จะหลงติดไปกับสิ่งที่มายั่วได้แต่เมื่อไหร่เรามีจิตที่มั่นคงแล้วนะไม่ว่าสิ่งใดจะมายัว่วจิตนั้นก็ไม่หวั่นไหว จึงใช้ว่ามีจิตที่ตั้งมั่นมีใจที่มั่นคงและก็โดยเฉพาะนะผู้ที่ไม่รู้ในพระสัทธรรมนะอวิชาตนะ ก็จะห่อหุ้มจิตใจของบุคคลเมื่อไรบุคคลนั้นถูกพิชชาห่อหุ้มแล้วเนี่ยจะมองไม่เห็นที่ว่ามองไม่เห็นคือมองไม่เห็นสัจจะแห่งความจริงอันเป็นสิ่งประเสริฐสุดก็ทำให้ ใจที่ถูกอวิชชาห่อคุ้มด้วยตันหาก็ดีด้วยโลภะก็ดีด้ยโทสะก็ตาจะทำให้จิตใจเนี่ยเกิดความกำหนัดขัดเคืองบทีกำหนัดก็ ยิดมั่นมากบทที่ไม่ชอบก็ขัดเคืองมากบทที่พอใจก็เกิดความลุ่มหลงก็ลุ่มหลงไปสุดท้ายเป็นผู้มัวเมา ใจนี้มีแต่ความเมาน่ากลัวน่ากลัวคาว่าใจที่มีแต่ความเมายมเชื่อไม่ว่าคนที่เขาเมาเหล้าเมาเหล้าอยู่ทุกวันหรือเสพสิ่งเสพติดนั่นเป็นเพราะใจเขามัวเมาไปด้วย ต้องการเสพสิ่งนั้นเข้ามาเป็นเพราะเหตุของใจเป็นที่ตั้งก่อนถ้าใจไม่เอาก็ไม่เอากายนี้ไม่เมาบางคนเอาแค่ความคิดว่าทำเมาแล้วก็จะลืมทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปรับรู้ไม่ต้องไปรับผิดชอบไม่ต้องมา ทุกใจจริงๆมันไม่ใช่การแก้ปัญหาไม่ใช่นั่นแสดงว่าเราลุ่มหลงมัวเมาผิดทางแล้วนะไม่ใช่ปัญหาอะไรที่ยังไม่แก้ ใช้ความเมาแก้ไม่ได้ทุกคนเคยเมาแต่มาเชื่ออย่างนั้นมากน้อยก็สุดแล้วแต่แต่มันไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้ให้พ้นทุกข์มันไม่ใช่ทาง เขาเรียก็หมดปัญญาแนละ้วสภาพที่เป็นอยู่ก็ไม่มีประโยชน์รังแต่จะเป็นโทษให้กับกายยาที่เมามายทุกวันทุกวันก็ถูกทำลายอวัยวะน้อยใหญ่ก็ถูกบั่นทอนลง ฉะนั้นมันต้องแก้ไขที่ใจก่อนต้องแก้ไขที่ใจอย่าเอาความเมามามากลบมันกลบไม่มิดต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญา พิจารณาทุกอย่างยอมเชื่อไม่ว่าโง่หรือฉลาดในตัวเรามันมีอยู่แล้วดีกับชั่วในตัวเรามีอยู่แล้ว การกระทําทั้งผิดทั้งถูกมีอยู่แล้วในตัวเรามันขึ้นอยู่ที่ว่าเรารู้จักคิดยังไงรู้จักทําแบบไหนแยกแยะแค่ไหน ต้องค่อยๆพิจารณาอย่าคิดสั้นๆอย่าใช้อารมณ์เดี๋ยวปัญญาก็เกิดจริงเกิดจากการหัดพิจารณาก่อนทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ มีสติละลึกรู้นั่นเป็นจุดเริ่มของปัญญาอาโยมดูลักษณะคนเมามายจนไรสติเดินก็ไม่ตรงทางพูดอะไรก็ไม่รู้ภาษาอาการกิริยาก็ ประคองไม่ได้ควบคุมอาการไม่ได้นั่นคือลักษณะของคนที่สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ไม่ใช่ไม่สมประกอบนะไม่สมบูรณ์เพราะถูกความเมาเข้ามาคือการขาดสติเรือสติไม่สมบูรณ์ถูกบั่นทอน ฉะนั้นพวกเราเองต้องหมั่นเจริญสติบ่อยๆระลึกบ่อยๆทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมบ่อยๆพิจารณาค่อยๆ ค, คิดมองไปให้มองเห็นเป็นสองด้านอย่ามองด้านเดียว คนที่เขาเรียกว่างโง่หรือไม่ทันเขาเพราะมองอะไรเนี่ยมองในด้านเดียวไม่ได้มองสองด้านมันมีสองด้านมองสองหน้ามองสองด้านแล้วจะเห็นอีก อีกมุมหนึ่งที่เป็นมุมมืดจะเห็นมุมสวา่างถ้ามองด้านเดียวเสียหายคิดแต่กำไรแต่ไม่คิดค่าใช้จ่ายเจ๊งมาเยอะแล้วเวลาคิดรวยท่าเดียวเลยรวยท่าเดียวพอทำจริงๆ มันมีรายจ่ายมากกว่าที่จะมีรายรับทำไมไม่คิดก่อนนะมันมีสองหน้าไงทมามองพิจารณาไปก่อนอย่างคำว่าคนเชื่อใจเลยก็ไม่ได้ ไม่เชื่อใจเลยก็ไม่ได้พูดยังไง เ, เรื่องจริงจะเชื่อใจเลยไม่ได้นะเกิดคนนี้ใจไม่ซื่อเราเสียหายแล้วถ้าเกิดถ้าเชื่อใจละ่ะ แล้วถ้าไม่เชื่อใจนะทุกอย่างบอกแล้วมองสองหน้าต้องคอยติดตามแล้วก็ระมัดระวังก่อนค่อยๆเคยเล่นว่าวไหมไม่ใช่โยผ่อนเชือกว่าวจนหย่อนหมดแล้วแล้วก็วิ่งไม่ใช่ต้องค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อย ค่อยๆปล่อยเชื่อไปว่าค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าไม่เชื่อใจเลยเราก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นบ้าเอาเระแวงไปหมดไม่ไหวแล้วชีวิตเชื่อใจไปทุกอย่างกำมือนตายทั้งเป็นไม่ได้ แทนต้องพิจารณาว่าบุคคลนี้ควรแค่ไหนไม่ควรแค่ไหนถึงบอกตามาสอนหลักแม้จะเชื่อใจแต่ไม่ให้ตายใจไม่ว่าใครถึงจะเชื่อใจแต่ไม่ให้ตายใจตามาจะสอนทุกคน บุคคลนี้ทำการค่าก็นิสัยก็พอเชื่อได้แต่อย่าตายใจต้องดูด้วยดูด้วยเนี่ยหลักสำคัญมันมีสองหน้าัาาชั่วดีไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายชั่วดีอยู่ที่ว่าบุคคลนี้ เขามีจิตใจอย่างไงวันนี้เขาทำอะไรตมะเคยบอกว่าเวลาคนเราเนี่ยมักจะเกลียดเวลาเกลียดก็เกลียดคนเลยไม่ใช่ผิดต้องเกลียดที่นิสัยนิสัยเขาไม่ถูกไม่ดีการกระทำอย่างเนี้ยไม่ถูกเออ แต่ถ้าเขาได้เปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เขามีนิสัยใหม่เรายังเกลียดเขาอยู่แต่ว่าเรานอันตรพานแล้วนะไม่ได้สังคมต้องให้โอกาสคนเรามันเรียนรู้ผิดถูกกันได้ถ้ารู้อยากแก้ไขก็ควรให้โอกาสแต่อย่าตายใจอย่า จะตายใจโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดอันตรายต้องศึกษานิสัยจิตใจพฤติกรรมคำพูดการแส ด, แดงดูจนเห็นว่า คนนี้เขาเมีศีลจริงๆนะจิตใจเขาเป็นคนดี เ, เขามีคุ ณ, ณธรรมคนนี้เขามีปัญญาเหมือนจะสั่งจะใช้ว้วานงานให้ใครนะถนา่มามีบทเรียนจะใช้ใครต้องดูคนใช้ผิดคน จนจนตายบอกเลยอ้าวความสามารถบางคนก็มีแค่นี้โยมไปใช้ใช้เกินงานเสียคนนี้ไม่มีความละเอียดโยมไปให้ทำงานที่สวยงามมีความละเอียดประดิษฐ์ประดอยเนี่ยนะเสียคนนี้ไม่เป็นเอกสารโยมไม่ทำเรื่องเอกสารไม่ได้ ต้องศึกษาคนด้วยพอรู้ว่าคนนี้เ็ามีความสามารถแค่ไหนมีความรู้แค่ไหนมีความขยันขันแข็งแค่ไหนมีความอดทนแค่ไหนเป็นผู้มีมารยาทอย่างไรเป็นผู้มีความรักความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดต้องดูต้องดู ใช้คนผิดปวดหัวตายเลยเหพวกเราเคยปวดหัวกันมาแล้วที่บอกว่าไม่ได้เรื่องเลยนั่นแหละนั่นแหละใช้มึงแล้วไม่ได้เรื่องเลยนั่นแหละนั่นต้องดูทึงบอกเออเราต้องเข้าใจในเรื่องของปัญญา บางคนก็ไม่พิจารณาไม่ละเอียดบางคนไม่รู้จักผู้น้อยผู้ใหญ่สัมมาคารวะไม่มเออีเราต้องดูแต่ละคนแต่ละคนนั่นแหละเป็นการฝึกเบื้องต้นอย่างการอบรมศีลบางกันนี่เป็นการฝึกตัวเองแล้วก็พิจารณา ตนเองที่ดีที่สุดในเบื้องต้นเลยพระพุทธเจ้านี้วางหลักคือฝึกตนและค่อยฝึกคนในชั้นสีเนี่ยเริ่มเลยเนี่ยคือฝึกตนก่อนนะให้สำรวมระวังกายวาจาเรามีสติคอยระมัดระวังอยู่ทุกเวลากายวาจา ทุกเวลาพูดอะไรทําอะไรทาอะไรพูดอะไรพูดอะไรทําอะไรมีสติระลึกระลึ ก, ร, กรึู้รูรู้รู้ไประลึกรู้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรยจนมาว่าเออเราเห็นศีลสัมผัสได้คนรักษาศีลจริงๆสัมผัสได้ ใครยังสัมผัสสีไม่ได้แต่มาว่ายัางไม่จริงต้องสัมผัสได้และพิสูจน์ได้ด้วยว่าเรามั่นคงในสีเรามีสีสีลาจารวัตรของเราเนี่ยงดงามวันนี้เราไม่พูดพรออยเลยไม่ใช่คำหยาบแม้แต่คำเดียว เราพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันเชื่อว่าคำพูดที่เราเคยใช้มากี่สิบปีก็ตามบัตรนี้ได้ฝึกใหม่แล้วเอาศีลมากหดัดฝึกพูดที่อยู่ในศีลฝึกได้แล้วฝึกตนและฝึกคนอื่นเออศีล พอหลุดปั๊บสติรละลึกได้เฮ้ยนี่มันศีลด่างแ ล, นะล้วนะศีนทะโลกนี่มันขาดศีนแล้วนะยุด เ, นะดเออวันนี้เราสติตามไม่ทันระลึกไม่ทันหลุดไปแล้วเออขอโทษขอโทษขอโทษขอโทษตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือขอโทษใครก็แล้วแต่ ถ้ารู้จักขอโทษได้เป็นดีไม่เสียนะใครรู้จักขอโทษตรรมะว่าเป็นสิ่งที่ดีผิดแล้วก็รู้จักขอโทษแล้วก็เราก็จะไม่สร้างโทษนี้อีกขึ้นมาไม่ใช่ขอโทษเช้านี้บ่ายก็เอาอีกขอโทษบ่ายเย็นก็เอาอีกอย่างนั้นมันเป็นคําพูดที่ไม่มาจาก ที่สำนึกใช้ไม่ได้พอเราฝึกฝึกฝึกฝึ ก, ฝกสัมผัสได้พระสัมผัสด้านวัตถของท่านสะอาดพอสงบพอเราระลึกอยู่ด้วยสีมีศีลานุสตินี่คือกรรมฐานห ล, ลักเลยนะไม่ใช่แต่ว่านั่งอย่างเดียวเป็นกรรมฐานนะ สีนี่แหละที่เราสามารถรักษาได้เป็นอนุสติหนึ่งในสิบของกรรมฐานสงบไงนั่งสบายเดินสบายพูดสบายพูดยังไงเรื่องเดือดร้อนก็ไม่ถึงตัวเพราะเราไม่ได้พูดเพื่อมีเวรสบาย พราอเราสัมผัสสีนของเราได้ต่อมาอานิสงส์ของสีเราก็สามารถที่รับรู้ได้ว่าเราได้รับอานิสงส์ของการรักษาสีระลึกอยู่มีปัญญาอยู่ด้วยสีพิสูจน์ได้เลยใครบอกโง่โงโ ง, งจะมาอยากท้าเลย มารักษาศีลให้ได้จริงสักปีเต็มๆนะแต่มาบอกคนนี้ฉลาดต่อไปไม่พูดเล่นนะเรื่องจริงเอาว่าตกมาเลยสอบตกนักเรียนมีห้าสิบสอบไปที่ห้าสิบแปดมาเลยไม่ต้องกลัวไม่ง่อ เพราะอะไรเพราะครูสอนนักเรียนห้าสิบก็สอบได้ห้าบสองมาแล้วลูกศิษย์ได้ห้าสิบแปดก็ไม่ต่างอะไรกันมากตกสองกับตกแปดก็เป็นอะไรไปไม่ผิดถ้ามีสติเท่านั้นและระลึกไปเรื่อยเรื่อ ย, ร, อยรู้ไหม ธาตุเองความตื่นรู้เนี่ยที่มันเคยหลักเหมือนพญานาคไ ย, ยเคยฟังในสุดที่เป็นบุคคลาธิฐานหรือที่ว่านางสุชาดาได้ถวายข้าวมัทุปลายาต์สี่สิบเก้าคำสี่สบเก้าก้อนเมื่อพระองค์ได้ เสร็จเสร็จแล้วก็ได้ทรงอธิษฐานถาทองว่าถ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ขอให้ถาทองนี้จงลอยทวนกระแสน้ำท้าไม่ได้ตรัสรู้ก็ให้ถาดนี้จงลอยตามน้ำไปพออธิษฐานเสร็จก็ลอยถาดปรากฏว่าถา ทองคำเยนะที่ของนางสุชาดาถวายข้ามาอุภายาตลอยทวนกระแสน้เสร็จแล้วก็จมจมลงไปจมลงไปจมลงไปจนถึงใต้บดดาพญานาคนอนอยู่จะตื่นขึ้นมา ครั้งหนึ่งมารับรู้ว่าบัทนี้จะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นอิทะตะทากโตโลเกพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ทรงอุบัติขึ้นแล้วพญานาคก็ตื่นพอทราบเสร็จก็เหมือนกัน ความไม่รู้ทั้งหมดที่มันหลับไหลเพราะถูกการเจริญสติมากเข้าบ่อยเข้ามากเข้าบ่อยเข้าจิตของผู้รู้เนี่ยตื่นเข้าโยมแต่มาก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่จะรู้ไปยิ่งกว่าใจนะ โลกใบนี้ที่คิดสร้างอะไรขึ้นมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะใจมันต้องเห็นะมีส่วนอย่างใหญ่หลวงเลยนะเรื่องของจิตใจนะพอสภาพรู้ก็รู้ที่ใจนะนะั่นแหละพอรู้เสร็จ สิ่งที่ไม่เคยรู้ทั้งหมดจิตที่รู้มันจะตื่นเหมือนตื่นจากการหลับไหลไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนปีจิตจะเบิกบานปลอดโปรง่งเกิดความปลอดโปร่งขึ้นมามีสมภาพรู้เห็นศีล ปรากฏขึ้นด้วยกายวาจารู้อานิสงส์ของศีลที่ตนรักษาจนกำหนดถึงคำว่าสติและลึกรู้จิตอันปรากฏอยู่ซึ่งมีธรรมเอกปรากฏอยู่ถ้าถึงตรงนี้แล้วอ ไม่มีใครหรอกในโลกนี้ที่จะถูกตันหาวิชาของหุ่มจิตนี้จะเป็นผู้รู้ตื่นขึ้นมาจะไม่หลับไหลอยู่กับกองทุกข์อีกเลยก็เรียกตื่นจากทุกข์แล้วแล้วทีนี้ก็สแสวงหาทางอันออกจากทุกข์ ก็เข้าหลักของอริยสัจทันทีเลยท่นั้นการฝึกสติการนั่งเดินยืนนอนเจริญสติอบรมจิตบ่อยๆรักษาสีนบอ่อยๆนั่นแหละคือการฝึกตนก่อนฝึกตนอ่านเท่าไหร่ถ้าไม่ฝึกตนใจที่ไม่ถูกฝึกมามันก็คือความรู้ความรู้มากมาย ยังไม่ได้ทำให้คนมีศีลธรรมนะโอ้คนจบปริญญาเอ ก, กีด็อกเตอร์ก็ยังทำชั่วทำเลวอยู่เยอะแยะทำผิดศีลธรรมอยู่มากมายไก่กองทุกสถามบันในการศึกษาไม่ว่าอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยไหนก็ล้วนแต่มีคนเลวอยู่ทั้งนั้นไม่ใช่ว่าคงแก่เรียนและบุคคนนี่จะเป็นผู้ ประเสริฐไม่ใช่นะดีไม่ดีความรู้ที่เอาไปใช้ผิดผิดเนี่ยันติดอาวุธนะความรู้ที่เอาไปใช้ผิดผิดนันยิ่งกว่าติดอาวุธนะอันตรายมากกว่า คนธรรมดาเช่อีกฉะนั้นความรู้อย่างเดียวยังไม่ได้ทําให้คนเป็นคนดีต้องฝึกฝึกตนก่อนเราอย่างเรามาปฏิบัติฝึกตนไม่ฝึกพระพุทธเจ้าฝึกไม่ฝึกพระอรหันต์ฝึกไม่ฝึกฝึกเริ่มตั้งแต่กินดื่มอาบ ปัจัจสี่เริ่มฝึกแล้วฝึกชนะความโลภฝึกให้ใจชนะความโกรธฝึกให้ใจไม่ลุ่มหลงต่อโลกียาวิสัยฝึกไม่ให้หลงไหลอยู่กับโลกธรรมไม่ให้กำหนัดขัดเคืองมัวมาลุ่มหลงอยู่ ล้วนแต่ฝึกทั้งนั้นใครให้ก็ไม่ได้ต้องฝึกฝึกแค่ความรู้ของพ่อแม่ที่เรียนมาพ่อแม่แก่แล้วไม่เอายกให้เจ้าเปิดสมองใส่ให้ไม่ได้ไม่ได้ขนาดความรู้ยังเฉพาะตัวเลยและถ้าดีชั่ว มันก็ยิ่งเฉพาะตัวและโดยเฉพาะเรื่องจิตก็เป็นเรื่องส่วนตัวของบุคคลนั้นเองฉะนั้นต้องฝึกตนเองมันสำคัญตรงนี้การภาวนาผู้มาบำเพ็ญปฏิบัติจุดหลักๆพระพุทธเจ้าสอนให้ฝึกตนโอจะว่ายากกับตรงนี้ จะวางง่ายก็ตรงนี้แหละโยมวมื่ง่ายไหมละ่ะฝึกตัวเองโยมฝึกความโกรธบอกเลยว่าข้าพระเจ้าจะไม่โกรธตลอดปีนี้แต่โกรธเมื่อไหร่ก้ฟ้าผ่าตายเงี้ยนะเอามันหนักหนักนะถ้าโกรธเมื่อไหร่ข้าพระเจ้าเจ้าเข็มพิ่มเนื้อไปอย่างแรงหนึ่งครั้ง กล้ามไม่ไหร่บ่อยถ้าโกรธมากเมื่อไหร่ข้าพเจ้าก็จะทิมไปสองครั้งถ้าด่าด้วยจะทิมไปสามครั้งโอ้โหรับรองได้ความโกรธนี่มันชักฟอฟอเหมือนกันนะฟอฟอพอทาท่าจะโกรธก็หันไปมองเข็มก่อนเลย มันจะเอาแล้วชักหล้วข้ามไม่อยู่ไม่หยิบเข็มได้ทิ่มเลย เ, เราทำโทษตัวเองดีกว่าถูกคนอื่นทำโทษนะเราทำตัวเองก็ยังมายะมันยังใช่ไหมโยบพ่อแม่ตีลูกไม่ได้ตีให้ตายนะตีให้รู้ว่าผิดนะ เจ็บนะผิดถึงถูกตีนะถูกตีเจ็บเจ็บแล้วอย่าทำนะความหมายอย่างนี้ก็เหมือนเอาเข็มทิ่มเ น, นืเอาใครโกรธจัดบอกแหมผมแล้วมันห้ามไม่ได้เอาวิธีอาตมานะไปซื้อเข็มมาเลยเข็มมาเลยทิ่มเลยโยมทิ่มเลยนะเอาตรงไหนดีโยมเลือกเอา เลือกเลยเอาตรงปลายนิ้วมือก็ได้ทิมไปเลยห้านหานนิ้วเลือกเอาแล้วทำตามสัจจะที่มีโอสติดีนะพอทำท่านจะโกรธเขมอีกแล้วเห็นไหมพอต่อไปรู้แล้วโกรธให้โง่เดี๋ยวก็เข็มนทิมหรอกเรื่องอะไรจะโกรธแต สติมันตามทันและลึกได้ฝึกไปก็ต้องแก้ไงเรามีนิสัยที่จะต้องมีสติระลึกได้แก้ไะพอแก้ได้จริงๆนะโถตมาว่าปัญญาเนะี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ตำราตำรานั้นคือความรู้ให้เรานะเรียนรู้มีข้อคิด มีสถิติของผู้ศึกษาเอาความรู้ทั้งหมดมารวมกันเป็นหวดหมู่คนรุ่นหลังก็พอเรียนรู้เสร็จก็ออกมาทำอะไรได้เลยมันได้สูตรมานั่นคือหลักของวิชาแต่ปัญญาจริงๆเนี่ยมันยังต้องสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอีกไม่ใช่หยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้หยุด โดยเฉพาะเรื่องของปัญญาที่ดับทุกข์สำคัญนะปัญญาทางโลกกันมาก็เห็นนะว่าโอ้โหเหล็กเขาบินแล้วเหล็กเขาบินได้เหล็กลอยน้ำได้เหล็กดำดินได้เหล็กวิ่งได้ยมคิดดู รถไฟทั้งคันทั้งขบวนเหล็กทั้งนั้นวิ่งได้ในน้ำบนบกบนอากาศมนุษย์ก็มีปัญญาสร้างจนเป็นจรวดแล้วเห็นไหมโยบแต่ก็มีสองหน้าบอกไงถ้าใช้มันไม่ถูกหลักใช้มันไม่ถูก ขั้นตอนมหันตภัยเกิดมันคือนักฆ่ามันคือนักฆ่าบอกไว้เลยนะมันคือนักฆ่าถ้าเราไม่รู้จักใช้หรือไม่ระมัดระวังมันคือนักฆ่า สิ่งที่เราบอกสะดวกสบายเนะี่ยมันพร้อมที่จะฆ่าเราเห็นไหมอุบัติเหตุปีหนึ่งเท่าไหร่ไม่ว่าทางไหนบนฟ้าก็มีเครื่องบินในน้ำก็มีจมชนบนบกรดยนตผ่านนะเยอะแยะ ทางรถไฟมีในความสบายมันก็ซ่อนความทุกข์เข็นอยู่พอสมควรนะถ้าใช้ไม่ถูกเออมันเป็นสองหน้าฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสัจจะความจริงเป็นสองหน้านะต่มาไม่ก็ห่วงแล้วไปที่ไหนนะ เราเข้าใจชีวิตมากกว่าที่เคยยึดถืออยู่ยมเช่ไหมสิ่งที่โยมได้มาวันนี้จำไห้นะสิ่งที่ยมได้มาวัน น, นะ น, นี้คือสิ่งที่ต้องจากไปวันข้างหน้าท่องง่ายๆเลยสิ่งที่ได้มาวันนี้คือสิ่งที่จากไปในวันข้างหน้าไม่ว่าอะไร เอาแค่เสื้อผ้าที่ยมใส่ไปซื้อมาสิตัวทุกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นหรือเป็นแสนก็สุดแล้วแต่สิ่งที่ได้มาวันนี้คือสิ่งที่จากไปในวันข้างหน้าอาจจะต้องบริจาคไปอยู่นานๆนะ่ะไม่ได้ใส่อ้วนไปนี่เล็กไปหรือเก่ า, าไปบริจาคจากไปแล้วก็บอกบริจาคไลยจากไปแล้ว หรือเกิดอะไรขึ้นถูกขโมยก็ได้หรือว่าเราล้มหายไปจากไปก็ได้ฉะนั้นก็อย่าดีใจอะไรมันมากเกินนี่ถึงบอกสติมันมีเออมีอะไรก็มีสติะระลึกได้มันเป็นสองหน้าเห็นไหมโยง เวลาสุขที่มีอยู่เราอย่าลืมทุกข์ว่าทุกข์น่มันยังไม่หมดก็อย่าไปหลงมันมากเกิดมันจะเสียเวลาที่จะดับทุกข์เวลาทุกข์เกิดก็อย่าไปคิดอะไรมันมากมายวันข้างหน้าชีวิตของเราเราก็เคยมีสุขมาแล้วไม่ต้องคิดถึงฆ่าตัวตายก็ได้ มันเป็นสองหน้าถ้าเรามองไปมองไปมองไปสุดท้ายโยมจะพบตัวเองพบคำว่าเกิดและต้องตายเกิดมาทำไมต้องหายเจอเกิดแล้วต้องมาตายเกิดกันมาทำไม มาร่ำ ม, มารวยสุดท้ายก็ไม่ได้ออกไปวุ่นวายทำไมมันจะมีคำตอบเป็นสองหน้าและยมหาเองที่สุดโยมมากำหนดว่ามันเป็นธรรมหรือเปล่าหรือมันเป็นตัวกูถ้าเป็นตัวกูเนี่ยยังไม่ดับทุกข์นะแต่เมื่อไร่มันเป็นธรรมะนั่น จึงดับทุกได้จิตตัวนี้พอเราฝึกฝึกฝึกพอมันรู้เสร็จนี่แหละมันจะเกิดปัญญาปัญญาทำให้เรารู้หนทางว่าทุกเหตุของทุกข์ความดับ การดำเนินออกจากทุกทุกคนจะเข้ามาสู่ในหลักของอริยสัจ ท, ทั้งสิ้นเลยจะเรียนมาเท่าไหร่ที่จะมาบอกสุดท้ายจิตนี้จะต้องฝึกอบรมจิตไม่ใช่ตำราไม่ใช่ความรู้อย่างเดียวนั่นคือเหมือนแผนที่ แต่เราต้องลงมือเดินต้องปฏิบัติฝึกจิตเข้าไปสัมผัสได้ศีลเป็นอย่างนี้เรารักษาศีลได้อณิสง์ของศีลเกิดมีอย่างนี้เราสัมผัสได้สมาธิจิตเป็นอย่างนี้ความสงบใจเป็นอย่างนี้ใจของเราที่ไม่ ย, ยึดมั่นเป็นอย่างนี้โยมต้องกําหนดรู้สภาวะจิต ถ้าไม่อย่างนั้นถ้ากับเราไม่ได้เรียนรู้จิตเลยธาตุเองความตื่นรู้ยังไม่เกิดต่อให้อยู่สุขสบายแค่ไหนตอนนี้แต่มาบอกได้เลยแต่มาก็มองอย่างงั้นๆแหละมันเพียงชั่วครู่ชั่วครู่ชั่วหยากสิ่งนี้เดี๋ยวก็ ไม่ตั้งอยู่ร่างกายนี้ไม่ตั้งอยู่อายุนี้ไม่ตั้งอยู่เราไม่หลงไม่ติดไม่ยึดไม่ผูกไม่มัดจึงบอกว่าเราสัมผัสอยู่กับสิ่งใดใจต้องไม่เป็นสิ่งนั้นนั่นแหละคือความไม่มั่นหมายในตัวตนคำมันไม่ยาวนะยมรึกใหม่คำนี้นะผู้ภาวนาทั้งหมด พวกเราสัมผัสอยู่กับสิ่งใดใจของเราต้องไม่ติดอยู่กับสิ่งนั้นนั่นแหละจึงเรียกว่าเราไม่ยึดมั่นหมายในอุปท า, านที่มีอยู่ด้วยรูปหรือนามจิตนั้นก็จะว่าจึงมาว่าเออเย็นร้อนอ่อนแข็ง มันเป็นการสมัมผัสบทบาทให้เกิดรู้ขึ้นทางกายสุขทุกข์ดีใจเสียใจสมวังผิดหวังเราสมัมผัสรู้ทางใจมันเป็นบทบาทภายในใจแล้วก็ดับไปอีกเราไม่ได้ลงสิ่งใน แต่เรารู้ว่านี่เย็นเย็นเป็นอย่างนี้นี่ร้อนร้อนเป็นอย่างนี้รู้ดีเป็นอย่างนี้ชั่วเป็นอย่างนี้ผิดเป็นอย่างนี้ถูกเป็นอย่างนี้รู้เราเข้าใจมีตัวตื่นตัวรู้ แต่ใจไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดเพราะโลกนี้คือสิ่งสมมุติทั้งนั้นเลยโยมต้องเข้าใจคำว่าสมมุติให้ลึกซึ้งก่อนแล้วจะรู้จักคำว่าวิมุตติมันเป็นสองหน้าเมื่อติดสมมุติโยมจะไม่เข้าถึงวิมุตติ แต่ถ้ารู้จักสิ่งสมมุติแล้วไม่ยึดติดกับสิ่งสมมุติโยมจะเข้าถึงความรู้แห่งวีมุติมันก็ไม่ต่างกับคำว่าอัตตาตัวตนเมื่อโยมยังไม่เข้าใจควาว่าอัตตาตัวตนที่เรายึดมั่นหมายโยมจะไม่เข้าถึงความเป็นอนัตตาที่ไม่มีตัวตนในสิ่งที่มีอยู่ในชีวิต รู้แต่ว่ามันเป็นเราหมดไม่จริง อ, อย่างนั้นพุทธเจ้าจะมาแสดงเป็นธาตุขันธาตุสี่ขันห้ายตรณะภายในภายนอกบอกพวกเราให้รู้เมื่อเราติดอัตตาอยู่โยมจะไม่รู้จักอ น, นัตตา เนี่ยมันมันเหมือนกันบบังตัวเองนะยมเชื่อไหมที่พวกเรายังทุกดับไม่ได้เพราะเอาตัวเองเนี่ยบังธรรมะเอาไว้ที่บอกเอาเส้นผมบงผังภูเขาจริงๆเส้นผมมันบังไม่ได้หรอกเส้นผมมันมันเข้าตาแล้วก็มองไม่เห็นเอง แต่เส้นผมไม่สามารถบังภูเขาได้หรอกเพียงแต่ปราบรรดบัณฑิตท่านพูดให้ข้อคิดว่าเหมือนเส้นผมบังภูเขาจริงๆเส้นผมบังตาตัวเราเนี่ยบังสัจจะแห่งความจริงติดสมมุติ จึงไม่เข้าถึงวิมุตตหลงตัวตนจึงไม่สามารถเข้าถึงความเป็นอนัตตาได้หลักการปฏิบัติในที่สุดมันคือธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจิตของใคร สามารถภาวนาเห็นความเกิดปรากฏแล้วก็ดับไปด้วยใจที่ไม่ยึดติดอยู่นั่นแหละคือธรรมะแท้ๆเลยกิ่งแช่วม่าจิตที่ไม่ปรุงแตกจิตที่ไม่ปรุงแตก ตามใดถ้าจิตยังปรุงแต่งอยู่เนี่ไม่ว่าอะไรเกิดเราก็เอาตัวเนี่ยไปบังไว้หมดแล้วก็วุ่นวายทุกข์จนไม่รู้ว่าทุกข์หลอกทุกข์หลอกทุกข์หลอกโดยไม่รู้ว่าเรา ปรุงแต่งวิสังขาระคตังจิตตังตันห้านนังขยะมัจจขาจะบอกจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันได้ถึงแล้วซึ่งความสิ้นไปแห่งตันหาคือความอยากทั้งหมด เรากำหนดได้เลยจริงบอกว่าเออคนที่รู้วิธีปล่อยวางจิตได้นะเขาจะเริ่มเบิกบานนะโยมสังเกตดูไหมจิตที่มันแบกอยู่นะเหมือนของหนักไหมเมื่อโยมจบแบก สมบัติแบกบุคคลแบกชื่อเสียงเกียรติหรือยศแตมาบอกสุดท้ายมันก็ของจอมปลอบแตมาง่วงที่ไหนเสือผื้นหมอนใบถ้าน้ำมีปม้าหมสักพื้นก็ดีหน่อย บุงสักอันหนึ่งหลับแล้วหลับแตมาไม่มีเงื่อนไขให้กับชีวิตที่มันต้องไปทุกข์กับไอเพียงกค่มานอนเนี่ยนะแตมาไม่ทุกข์ด้วยฝึกมาแล้วกินก็เหมือนกันไม่ใช่กินสนองตัณหากินเพื่อให้มีชีวิต ดำรงอยู่ศึกษาธรรมะไปวันๆพอแล้วแค่นี้ก็จะอ้วนอยู่แล้วอ้วนอยู่แล้วทำไมต้องหลงที่นอนที่นั่งที่กินที่เดินแม่บ้านที่อยู่อยู่ขีว่านอยู่ ตึกจะกี่ร้อยชั้นก็ตามก็ไม่กี่วันก็ต้องจากจะเป็นชื่อใครก็ตามวันหนึ่งก็ต้องจากเราเดินมาสู่โลกนี้มันดื่มอาบเคี้ยวกินและทำธุระเสร็จแล้วก็ไปใหญ่ต้องคลองอยู่กับโลก ยายต้องติดอยู่กับทุกโศกด้วยไม่มีสาระพวกเราหลงไปหรือเปล่าหลงไปหรือเปล่ามาหลงกรรมเป็นทายาทกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมเป็นผู้ติ ด, ดตามกรรมเป็นผู้ให้ผลพวกเราหลงไปหรือเปล่า พาะเรามาแวะแค่เดียวเดียวแล้วก็ไปยังมาสำคัญที่ว่าโลกที่เราสัมผัสอยู่นโยมไปหลงต่อไม่ใช่ที่เราสัมผัสอยู่กับสิ่งใดใจต้องไม่ติดสิ่งนันนี่แหละคือธรรมะที่เป็นขั้นป ร, รมัจจริงๆ เป็นปรมามัิบารมีนะไม่ธรรมดาแต่พอเราสัมผัสอยู่กับสิ่งไหนใจเรายึดติดสิ่งนั้นมันไม่ใช่ธรรมะแล้วมันตัวกูวนะเนีไม่ใช่นั่งมีสติะระลึกให้ดีอบรมจิตให้ดีแล้วท่านจะเห็นธรรมบังเกิดอยู่ภายในคือใจที่ว่าง ในขณะนั้นฝึกไปเรื่อยๆอบรมจิตไปเรื่อยๆภาวนาไปเรื่อยๆและท่านจะเห็นท่องแทนเลยอะไรที่เจืออยู่ในน้ำที่ทำไม่ขุนท่านนั่งดูเพราะความไหลที่ไม่หยุดนิ่ง ถ้ามันหยุดนิ่งสิ่งที่เจือมามันจะตกตะกอนและท่านจะนั่งดูเห็นเอออะไรที่มันขุ่นมาที่ตกตะกอนอยู่ท่านก็ตักออกหาวิธีชำระให้มันหมดไปฉะนั้นการปฏิบัติก็อาศัยการฝึกตนจริงๆไม่ใช่ เราไปตามใจตัวเองเาเลิกไอ้เรื่องตามใจตัวเองมันเสียเสียตุนป่านนี้แล้วโยมยังะระลึกไม่ได้ว่าถ้ามันเป็นมรรคผลนะสิ่งที่เราใช้นิสัยอย่างนั้นมามันเป็นไปแล้วนี่มันไม่ใช่มรรคผลนะนี่มันเป็นมัดใจมันมัดใจตัวเองนะให้มีแต่ เหตุผลแห่งความยึดเหตุผลแห่งความคล่องเหตุผลแห่งความมั่นหมายเหตุผลแห่งทุกกูของกูอยูนะ่มันไม่จบแทนที่บอกว่าทำวิปัสสนาวิปัสสนาตมาก็ฟังคำมันก็ดีวิปัสสนาให้รู้แจ้งเห็นแจ้งรู้จิตภายในเห็นแจ้งรู้แจ้งตมาก็ดูอยู่อะไรละเห็นแจ้ง ชีวิตที่เห็นแจ้งทำสุดท้ายธรรมาดูพระโสดาบันะ้าหันที่สุดก็คือใจไม่ติดอยู่กับสิ่งใดเกิดแล้วก็ตั้งดับไม่เสียใจกับสิ่งใดมีแต่รู้ และพิจารณาให้เป็นธรรมะไปเราอ อ, อ, อท่านเหนือเราอยู่ตรงนี้เองเหนือตรงที่ว่าท่านไม่เอาตัวตนมาเป็นตัวตนท่านเอาชีวิตมาเป็นธรรมะแล้วก็ละตัวตนมองเป็นธาตุเป็นขันเป็นกรรมเป็นวิบากไม่ได้มาเป็นเราเป็นเขาตัวกูของกูพยาบานนาคาดกันอยู่เพราะเออท่านชนะตรงนี้ ไม่ได้ชนะร่างกายตรงไหนชนะที่ใจของท่านปล่อยวางไม่ปรุงแต่งแล้วสัมผัสสิ่งใดใจท่านไม่ติดสิ่งนั้นรู้สิ่งใดใจก็ไม่ได้ติดกับสิ่งที่รู้นี่แหละคือรู้จริงๆไอ้ที่รู้ไม่จริง รู้แล้วก็หลงยึดติดอย่างมนุษย์เราที่บอกรู้กันนะรู้กันหนาแต่รู้แล้วก็ยังไม่ได้ดับทุกไม่ได้พ้นทุกเลยจึงเรียกว่ารู้มากแล้วก็ยังเอาตัวไม่รอดสุดท้ายไม่พ้นทุกนรกยังไม่พ้นเลย รู้อย่างนี้เนี่ยมันยังอันตรายนะฉะนั้นพวกเราต้องสัมผัสศีลของเราฝึกวาจาหนึ่งปีไม่พูดอยากไม่เพอ้อเจอไม่พูดสอดเสียดไม่พูดให้ร้ายไม่พูดโกหกไม่พูดปดกับใครไม่สร้างความเสียหายกับใครเรื่องวาจาการกระทําทั้งหมดเจตนา จะไม่เบียดเบียนใครแม้แต่ที่จะไปเหยียบใครชนใครเราก็จะไม่มีการกระทำไม่ตัวเองก็ไม่ทำและก็ไม่บอกไม่สั่งให้ใครทำแล้วก็ไม่ได้ยินดีในการเบียดเบียนเรามีสติระลึกได้ตั้งรู้ตลอดหนึ่งปี ดูว่าทำได้ไหม ด, ดูถ้าทำได้นะความเมตตาไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยมันเกิดอยู่ในจิตนี่นะมันเย็นศีลก่อให้เกิดสมาธิรู้หรือเปล่าที่พวกเราฝึกไม่ได้กันจริงๆเพราะสติเราไม่ตั้งอยู่ในศีลได้จริงมันจริงกวาดแกวง้ง ดินรนไม่มั่นคงพระย่าสอนไงศีลสมาธิปัญญาศีลพอลรักษาได้ก่อเกิดแห่งสมาธิมันสงบไม่วุ่นวายไม่เบียดเบียนไม่ให้ร้ายใครใจมีเมตตาคนมีเมตตาเนี่ยความเมตตาคือความเย็นคนที่มีฌานเนี่ยมันมีปิติสุขอยู่แล้วความเย็นนั่นคือฌานจากนั้น สมาธิก็เกิดจากนี้ะการรักษาศีลได้ดีจึงก่อให้เกิดสมาธิพอสมาธิตั้งมันได้ไม่วุ่นวายก็สามารถที่กำหนดอะไรเห็นตามความเป็นทิงจนรู้แจ้งจริงๆว่าสิ่งนี้สมมุติไม่ใช่วิมุติเราควรจะละตรวจตนของเราไปสู่ วมุตสิ่งนีอ้อัตตาไม่ใช่อนัตตาเราควรละความมั่นหมายในตัวอัตตาจริงสู่อนัตตาแล้วอถึงเวลานั้นแล้วเรารู้เองเราพบสมบัติที่มหา ศ, าศา์ดุดดังที่พระพุทธเจ้าได้แสดงไว้เขาเรียกว่าเป็นมหาสมบัติ แห่งธรรมอันเป็นวิปัสสนาคือกองแห่งปัญญาดับทุกข์ดับโศดับเพศภัยพบน้อยใหญ่จนสิ้นสุดในวัฏฏะสงสาร น, นะก็ขอสมมุติยุติการบรรยายแต่เพียงเท่า น, นี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิน